สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนิตกรคนชอบเล่าคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ท่านสมาชิกได้กระณาแชร์มาให้นะครับเรื่องราวจากคุณนิพนธ์นุกบุตรสบันนยเห็นมีท่านสมาชิกหลายท่านอยากฟังเรื่องนี้มานานเรื่องที่ว่านี้ก็คือเรื่องราวของผีหมาบ้องโดยได้ข้อมูลมาจากนิทานของชาวล้านนานิทานของชาวไทโ ย, ยนม้าบ้องหรือผีหมาบ้องเป็นผีชนิดหนึ่งตามคติความเชื่อของคนเหนือเป็นผีจำพวกผีเจ้ากล้หรือผีป่า ซึ่งผีหมาบ้องนั้นมีรูปลักษณ์ท่อนบนลำตัวเป็นหญิงสาวสวยแต่ท่อนล่างเป็นหมาและโดยปกติก็มักจะไม่เห็นตัวแต่อาจจะได้ยินเสียงหมาหรือปรากฏรอยเท้าม้าตามพื้นดินม้าบ้องหรือผีหมาบ้องจะออกล่อลวงเหยื่อที่เป็นผู้ชายโดยเฉพาะหนุ่มละอ่อนที่ไม่ประสีประสานในเรื่องทางเพศให้ตามเข้าไปจนถึงทิ่นาศัยของมันจากนั้นก็ฆ่าทิ้งเสีย ซึ่งความเชื่อเรื่องหมาบ้องนั้นละไม้คล้ายกับเคนปี้ของเทพปกรณ้ำนอสสกินลาและเซนเทอร์ในเทพปกรณ้ำกรีกลักษณะเป็นคนที่โดนผีหมาเข้าสิงเมื่อได้สิ่งที่ร่างใดแล้วก็จะเข้าสิงที่ร่างนั้นตลอดเวลาออกหากินก็คือตอนกลางคืนผีหมาบ้องนั้นก็จะแปลงกายเป็นหมาบ้างหรือไม่ก็อาจาเป็นคนธรรมดาแต่ทําท่าทางเหมือนหมาบ้างและจะมีเสียงร้องเหมือนมา้าอาหารของผีหมาบ้องก็คือเลือดซากสัตว์และไข่ ผีหมาบ้องนั้นจะว่าไปก็ถือว่าเป็นผีประจำถิ่นหลานนาก็ว่าได้เพราะว่าในภาคอื่นไม่เคยปรากฏว่ามีการเล่าถึงโดยที่จะมีพระผู้แก่ที่เคยพบเจอประสบการณ์ผีหมาบ้องได้ถ่ายทอดเล่าให้ลูกหลานฟังซึ่งตัวผมผู้บันทึกครั้งหนึ่งเคยเข้ารับการอบรมที่มหาวิทยายลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมจารีตประเพณีได้มีการพูดถึงความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับผีหลานนาและเรื่องตำนานผีหมาบ้องจึงขอเล่าโดยสรุปให้ฟังถึงลักษณะของผีหมาบ้อง ประกอบกับคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในแถวถิ่นภาคเหนือได้ความว่าผีหมาบ้องเป็นลักษณะของคนที่เชื่อว่าโดนผีหมาเข้าสิงแล้วก็จะสิงอยู่ในร่างนั้นตลอดคล้ายกับผีกะในถิ่นล้านนาหรือผีปอบในแถวถิ่นภาคอีสานโดยจะชอบออกหากินในเวลากลางคืนหรือพลบค่ําบางครั้งผีหมาบ้องก็จะแปลงกายเป็นม้าบ้างหรือไม่ก็เป็นคนธรรมดาจะทําท่าทางการแสดงออกหรือกิริยาเหมือนหมา เช่นลักษณะการวิ่งย่อๆบางทีก็เอานิ้วมือแนบหูชูสองข้างมีการส่งเสียงร้องฮีฮีเหมือนมา้าผีหมาบ้องชอบกินอาหารที่มีกลิ่นข่าวเช่นเลือดสัตว์ข่าเลือดจากโรคเด็กซากสัตว์โครงกระดูกวัวควายและไข่ดิบว่ากันว่าลักษณะการกินของผีหมาบ้องนั้นก็จะกินเหมือนมา้าโดยจะใช้ลิ้นเลียเช่นหากพบโครงกระดูกผีหมาบ้องก็จะเลียกินจนอิ่มแล้วก็จะจดจําสถานที่ที่พบแหล่งอาหารนั้นไว้ หาหิวเมื่อไรมีโอกาสก็จะกลับมาเลียกินอีกเรียกว่าเลียกินจนกระดูกเรียบเป็นมันเมื่อกลางปี2555ผมได้ย้ายมาทํางานที่จังหวัดตากและได้มีโอกาสคุยกับคุณตาชินซึ่งขอสงวนนามส ก, กลุลณ์ณตอนนั้นคุณตาชินอายุ65ปีมีภูมิมลำเนาอยู่ที่ตําบล น, น้ำมรึมอําเภอเมืองจังหวัดตากโดยนิสัยส่วนตัวของผมผมชอบฟังและศึกษาเกี่ยวกับวิถีความเชื่อเรื่องเล่าประเภทนี้อยู่แล้ว พอได้โอกาสพูดคุยกับคุณตาชินถึงเรื่องราวของผีหมาบ้องที่ท่านได้เคยมีประสบการณ์สัมผัสมาคุณตาชินท่านก็ได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและก็ประสบการณ์เกี่ยวกับผีหมาบ้องตามลำดับเรื่องราวที่พอจะปฏิปต่ะได้ว่าคุณตาชินนั้นดำรงชีพยอยู่ด้วยการเลี้ยงสัตว์และทําปัสสุสัตว์เล็กๆได้น้อยตัวแกาเองได้ย้ายมาอาศัยอยู่ในบ้านหลังปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปี2531โดยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้คนเดียว ลักษณะเป็นบ้านเล็กๆ ก, กึ่งกระท่อมล้อมด้วยรั้วสังกะสีแกบอกว่าตอนที่แกมาอยู่ใหม่ๆนั้นเจริญมากไม่มีแม้ไฟฟ้าหรือประปาน้ำดื่มน้ำใช้ก็ต้องอาศัยบ่อน้ําผุดหรือตาน้ําเป็นที่น่าเสียดายที่ปัจจุบันโดนถมที่เพื่อสร้างถนนไปแล้วส่วนไฟฟ้าอาศัยแสงสว่างจากตะเกียงน้ํามันกา๊าดเมื่อตอนที่คุณตาเข้ามาอยู่ใหม่ๆสภาพภูมิประเทศโดยรอบเป็นป่ามีหญ้าและต้นไม้ขึ้นรก ละเป็นเกศสนามบินเก่าของญี่ปุ่นในอดีตสมัยสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นมีบ้านเรือนผู้คนอยู่แค่สองหลังโดยบ้านอีกหลังหนึ่งนั้นเป็นบ้านหลังเล็กๆตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามห่างจากบ้านคุณตาประมาณ200เมตรถนนหนทางก็เป็นทางฝุนลุกรังสงบเงียบถ้าไม่มียานพาหนะใดวิ่งผ่านประชาชนที่สัญจรไปมาจะใช้การเดินเท้าเป็นหลักส่วนตัวคุณตาเองจะใช้รถ3มล้อปัน่นที่มีกระบะบรรทุกอยู่ด้านหน้า แกเอาไว้ใช้ปั่นไปตลาดในตัวเมืองตากเพื่อไปรับเสร็จอาหารเสร็จผักมาให้หมูที่แกเลี้ยงไว้เป็นกิจวัตรประจําวันอันแทบจะกล่าวได้ว่าคุณตาอาศัยอยู่ในย่านนั้นคนเดียวโดดๆก็ว่าได้เพราะ น, านั้นๆทีแกถึงจะมีโอกาสพบเจอกับเพื่อนบ้านคุณตาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการพบเจอผีหมาบ้องซึ่งตัวคุณตาเองแกเรียกว่าผีกะหมาบ้องแกเล่าว่าในค่ําคืนวันหนึง่งเป็นวันกลางพรรษาและเป็นวันโกน คือวันขึ้น7ค่ำกับ14ค่ำและวันแรม7ค่ำกับ14ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม13บสาค่ำหากตรงกับเดือนขาดซึ่งเป็นวันก่อนวันพระ1วันวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15บหาค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15บหาค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดหลังจากที่ได้สุมไฟไล่แมลงไล่ยุงให้กับวัวควายและต้มข้าวให้หมูในเล้าของแกแล้ว แกก็ทำธุระส่วนตัวแล้วก็เตรียมตัวจะเข้านอนสมัยก่อนนั้นเวลากลางคืนหรือพบค่ำจะมืดมากเนื่องจากไม่มีแสงสว่างจากไฟฟ้าจะมีกเพียงแสงสว่างจากดวงจันทร์หรือกองไฟที่แกก่อสมไฟไล่สัตรหรือก็แสงสว่างดวงดเล็กๆจากตะเกียงน้ำมันก๊าซของแกเองขณะนั้นเป็นเวลาประมาณสองทุ่มกว่าบรรยากาศความสงบเงียบในยามค่าคืนก็จะมีเพียงเสียงสะบัดหางเพื่อไล่ยุงหรือแมลงของวัวควายที่แกเลี้ยงไว้ ซึ่งก็คือเสียงปกติที่คุณตาแกได้ยินแต่แล้วหูคุณตาก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งอันนอกเหนือจากที่กล่าวมาหูสองข้างของคุณตาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังถนัดชัดเจนจากการตั้งใจฟังเสียงนั้นเป็นเสียงฝีเท้าคล้ายกับลักษณะการวิ่งของมา้าวิ่งยายะ ก, กุบ ก, กับกุบกับพร้อมกับเสียงร้องหีหีครางอยู่ในลาคอของมันเสียงนั้นค่อยคยวิ่งผ่านหน้าบ้านของคุณตาไป แล้วก็กค่อยๆเงียบหายไปในช่วงสุดถนนซึ่งเป็นร้อยต่อของอีกหมู่บ้านหนึ่งแต่คุณตาเองแกบอกว่าแกก็ไม่ได้สนใจอะไรคงเข้าหมุนนอนตามปกติซึ่งตอนนั้นผมได้สอบถามคุณตาแล้วก็ได้ความว่าแถานั้นมีบ้านชำละเนื้อสัตว์ส่งตลาดในเมืองหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเขียงเนื้อผมสงสัยว่าคงจะมีซากโครงกระดูกสัตว์ถูกกองทิ้งอยู่ในหลุมแถวนั้นซึ่งเป็นอาหารของผีหมาบ้อง และคืนวันต่อมาในเวลาไล่เลี่ยกันคุณตาก็ได้ยินเสียงลักษณะแบบเดียวกันอีกแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่คุณตายืนอยู่บัญชาญแคบๆหน้าบ้านพอดีแกจึงได้เชงโงกส่งสายตาออกไปดูตัวแกเองตอนนั้นก็ไม่มีไฟฉายใชย้ทําให้ภาพที่เห็นบวกกับแสงสลัวของดวงจันทร์นั้นคุณตากแกบอกว่าแกเห็นลักษณะสัตว์คล้ายหมาตัวสีดําใหญ่ทมึนมันกําลังส่งเสียงร้องวิ่งเยาะๆผ่านไปไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดขี่อยู่บนหลังของมัน ผมจึงได้สอบถามกับคุณตาถึงพฤติกรรมของมันแกก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อมองดูมันมันก็วิ่งไปตามปกติของมันไม่ได้สนใจอะไรและไม่มีปฏิกิริยาคุกคามแต่อย่างใดผมก็เลยถามแกว่าทำไมคุณตาไม่ตะโกนเรียกมันแกก็บอกว่าตัวแกเองก็ไม่ได้สนใจอะไรเหมือนกันแค่เพียงอยากรู้ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นคือเสียงอะไรเท่า น, นั้นเองมันคงไม่ทำอะไรคุณตาหรอกเพราะไม่ใช่ศัตรูมันแต่เมื่อผีมาบ้องรู้ว่ามีคนสงสยัยแล้วก็เรียกมัน มันคงจะไม่โผลวมาให้เห็นอีกแน่ๆคุณตาแกเองก็คิดว่าคงเป็นม้าของใครที่ไหนสักแห่งที่หลุดคอกออกมาและคงวิ่งวนเวียนหาทางกลับบ้านแต่เมื่อมาคิดแล้วคิดอีกก็คงเป็นไปได้ยากเพราะละแวกแถานั้นไม่มีผู้ใดเลี้ยงหม้าเลยแถมม้าก็เป็นสัตว์ที่มีราคาแพงด้วยกอบกับแกก็ไม่เคยเห็นใครจุงมา้าหรือขี่ม้าผ่านหน้าบ้านเลยแม้กระทั่งในตัวเมืองตากคุณตาได้เล่าต่อว่ารุ่งเช้าแกได้ลุกมาทํากิจวัตรประจําวันตามปกติ พอเสร็จแล้วจึงได้ออกมาดูร่องรอยฝีเท้าของหมาตัวนั้นแต่แกก็ไม่ได้เห็นแม้แต่รอยเท้าหมาแม้รอยเดียว ท, ทั้งๆที่หมาก็ตัวใหญ่ถึงทึกอย่างนั้นถนนก็เป็นทางผงฝุ่นบางวันก็เปียกเพราะฝนตกแต่ก็ไม่ปรากฏรอยเท้าหมาเลยทั้งๆที่มันเองก็วิ่งตั้งหลายครั้งหลายคืนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณตาชินเองก็ได้สัมผัสกับปรากฏการณ์ผีหมาบ้องมาตลอดแต่สับเปลี่ยนเวลาการปรากฏจากพลบค่ําเป็นช่วงเวลาประมาณ4ี่ห้าทุ่มบ้าง แต่ก็เป็นที่น่าแปลกประหลาดแกบอกว่าจะได้พบเจอก็เฉพาะช่วงเวลาวันโกนระหว่างกลางพรรษาเท่านั้นก่อนพรรษาหรือหลังพรรษาจะไม่มีโอกาสได้พบเจอเลยจบจนกระทั่งความเจริญเข้ามาถนนหนทางกลายเป็นถนนลาดอย่างตาน้ําพุดถูกหลบถมประชาชนเริ่มเข้ามาอยู่หนาแน่นขึ้นเผื่อปากก็ถูกทําลายปรากฏการผีหมาบ้องจึงได้สูญหายไปเหลืออยู่เพียงแค่เป็นเรื่องเล่าที่ได้จดบันทึกอยู่ในครั้งนี้นี่เองครับ แล้วเรื่องราวบันทึกของผีหมาบ้องก็จบลงทีนี้เราไปดูการซื้อขายผีในล้านนากันบ้างโดยได้ข้อมูลมาจากคุณครูรัชนีคุณนานุวัตรเขียนโดยสิริทิพมณีโชธเงินค่าผีคนล้านนาะมาจากตำนานซื้อผีจากชาวล้วโอ้ซื้อผีบอโอ้มีผีมาขายเนอะไภจะซื้อผีมาซื้อเนอะเสียงพวกค้าชาวล้วตะกนบอกชาวบ้านเมื่อแปลภาษาเป็นไทยกลางได้ความว่า ใครที่สนใจมาซื้อผีเอาไว้รักษาบ้านเรือนเอาไว้เป็นผู้ปกปักรักษาคนในครัวเรือนโดยแต่ละผีจะให้คนแตกต่างกันไปเริ่มตั้งแต่ผีปู่ยยาหากใครซื้อผีนี้ไว้จะทําให้ลูกหลานญาติพี่น้องอยู่ดีมีสุขเกิดความรักใคร่สามัคคีกันญาติพี่น้องลูกหลานครือญติทุกคนจะมารวมกันเกิดความอบอุ่นในวงตระกูลผีกะหรือผีปอบหากใครซื้อผีนี้จะทําให้วงตระกูลเป็นคนขยันหากินไม่เลือกว่าจะข่ํา ม, มืด รางวัลกลางคืนก็จะหากินไม่หยุดหย่อนมักเป็นผู้มีเงินเพราะความขยันผีมดผีเมงหากใครซื้อผีนี้จะส่งผลให้วงตะกูลมีความสนุกสนานดังนั้นวงตะกูลของผู้ที่มีผีนี้รักษาก็จะกำหนดพิธีกรรมในวันที่ไหว้ผีในรอบปีญาติวงตะกูลก็ามาได้รับฟ้อนบวงสวงเรียกกันว่าพิธีกรรมการฟอนผีมดผีเมงทาให้ญาติพี่น้องวงตะกูลสนุกสนานรื่นเริง เมื่อพ่อขาชาวล้วออกมาขายผีตามหมู่บ้านผู้คนพื้นเมืองที่ต้องการจะซื้อผีต่างก็ซื้อผีคือสวยหรือกล้วยดอกไม้นั่นเองเป็นสินค้าแทนผีเมื่อซื้อแล้วก็นําสวยดอกไม้หรือกล้วยไปไว้ในที่ที่ล้วบอกกล่าวคือผีปู่ย่าให้นําสวยไปไว้ในห้องเรือนใหญ่หนึ่งแห่งและทําหอผีปู่ย่าไว้ที่บริเวณในรั้วบ้านอีกหนึ่งแห่งส่วนราคาตามแต่จะตกลงกันเช่นอาจเป็น32แทบ45แถบเป็นต้น ส่วนใครซื้อผีกะต้องนําสวยดอกไม้ไปไว้ในหม้อเลี้ยงผีนําหม้อไปวางไว้บนเพดานเพื่อให้ผีกะได้อยู่ในหม้อไม่ออกไปทําร้ายใครราคาผีกะอาจจะเป็น12แทบ25แทบแล้วแต่จะตกลงกันส่วนผู้ที่ซื้อผีมดผีเมงจะต้องนําสวยดอกตัวแทนผีไปไว้ในหิ้งผีบนบ้านในห้องนอนจะต้องเลี้ยงปีละ1ครั้งหรือสองสาปีครั้งแล้วแต่จะตั้งเงื่อนไขกันไว้ ในการเลี้ยงจะต้องมีดนตรีบรรเลงให้เกิดความม่วงงนงินสนุกรื่นเริงราคาผีมดผีเม้งอาจจะเป็น3 6บาท12บาทแล้วแต่ความพอใจตั้งแต่ผู้คนได้ซื้อผีที่ตนเองต้องการมาไว้คุ้มครองบ้านทำให้ผีมีบทบาทในวิถีชีวิตคนในครอบครัวกันมากหากใครเข้าบ้านเรือนโดยไม่บอกเจ้าบ้านหรือเข้าไปในห้องนอนถือว่าผิดผีต้องถูกปรับหมายเท่าราคาค่าผีที่บ้านนั้นซื้อมาเช่นถ้าซื้อสวยผีมาจำนวน32แทบ ก็ต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน32บาทเท่าเงินซื้อผีที่สําคัญคือผีจะปกป้องลูกสาวในครอบครัวนั้นหากใครจะมือถือแขนจับเหนือต้องตัวล่วงเกินผู้หญิงในครอบครัวนั้นๆก็ต้องถูกปรับเสียค่าผีตามราคาที่บรรพบุรุษได้ซื้อสวยผีมาไว้ครั้งแรกแม้จะสืบต่อกันมาเป็นเวลานับเลยร้อยพันพันเปยการเสียค่าผีก็ต้องเป็นเงื่อนไขของทุกครอบครัวที่มีผีปกปักรักษาวงตระกูลไม่ว่าผีปู่ย่าผีกะ ผีมดผีเมงด้วยมีการเลี้ยงผีไว้ป้องกันผู้คนในครอบครัวดังกล่าวจะเห็นว่าเดือนก้าเหนือหรือเดือนเจ็ดภาคกลางผู้คนล้านนาต่างมีการเลี้ยงผีหรือหากมีงานเกี่ยวกับวงตระกูลก็จะเลี้ยงผีกันทําให้ญาติมาร่วมกันประกอบพิธีโดยเฉพาะถึงปีใหม่หรือสงกรานลูกหลานวงตระกูลที่อยู่ไกลกันก็จะมารวมกันทําพิธีเลี้ยงผีที่ตระกูลของตนมีอยู่งานสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือการใส่ผีในงานแต่งงาน เจ้บ่าวต้องนำเงินค่าเสียผีใส่ขันซึ่งก็คือผานพร้อมเข้าตอกตอกไม้ไปไหว้สายญาติผู้ใหญ่จะสาวเรียกว่าเงินเสียผีหรือเงินใส่ผีเป็นเงื่อนไขว่าได้เป็นผีในครัวเรือนเดียวกันแล้วภาษาล้านนาะเรียกว่าตัวเดียวกันคือต้องเป็นเครือญาติเดียวกันนั่นเองผีล้านนาะจึงมีความสําคัญมากในวิถีชีวิตของพวกเขาตั้งแต่โบ ร, ราณมาจนปัจจุบันห ล, หลายครอบครัวก็ยังเลี้ยงผีมีผีปู่ย่าผีกะและผีมดผีมเมงกันอยู่ อย่างไรก็ตามหล า, หลายครอบครัวในปัจจุบันไม่เลี้ยงผีที่บรรพบุรุษซื้อมาทำให้ลูกหลานไปอยู่ที่ไกลหาโอกาสกลับมารวมกันได้ยากโดยเฉพาะความเชื่อเรื่องการเสียผีค่าปรับค่าล่วงเกินเกี่ยวกับผีไม่มีในหัวใจคนสมัยใหม่จึงทำให้ประเพณีการซื้อผีขายผีในร้านนาสาบสูญไปครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดของคุณนิพนธ์นุสบัณฑนก็จบลงก็ขอบคุณมากนะครับที่ได้กรุณาแบ่งปันเรื่องราวมา